รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา 3. พระเถระเหล่านี้คือพระอุบาลีพระทาสกะพระโสนกะพระสิกขะและพระโมคคัลลีบุตรรวมเป็นห้ารูปเป็นผู้นำพระวินัยสืบสืบกันมาในชมพูทวีปอมมีศิริจากนั้นพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้ คือพระมหินทะพระอิติยะพระอุตติยะพระสัมภะและพระพัฒบัณดิตเดินทางจากชมพูทวีปมาที่เกาะสิงหนดนี้ท่านเหล่านั้นสอนพระวินัยปิฎกที่เกาะตามพระปั น, นิสอนนิกายหและปกรณ์เจจากนั้นพระอริธะผู้มีปัญญาพระติดสะทัตตะ บ, บัณดิต พระกาลสุมาณะผู้เชี่ยวชาญพระทีฆเถระและพระทีฆสุมาณะบัณฑิตต่อมาพระกาลสุมาณะพระนาคเถระพระพุทธรักขิตะพระติดสะเถระผู้มีปัญญาและพระเทวเถระผู้เป็นบัณฑิตต่อมาพระสุมาณะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัย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 พระอุปติสสะผู้มีปัญญาพระปุษะเทวะผู้เป็นมหาธรรมกถึกต่อมาพระสุมณะผู้มีปัญญาพระมหาปทุมะเป็นพระหูสูตรพระมหาศีวะผู้เป็นมหาธรรมมกถึกฉลาดในพระไตรปิฎกทั้งหมดต่อมาพระอุบาลีผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยพระมหานาคะ ผู้มีปัญญามากฉลาดในวงพระสัตธรรมต่อมาพระอภยะผู้มีปัญญาฉลาดในพระไตรปิฎกทั้งหมดพระติสสะเถระผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยพระสุมานณะมีปัญญามากผู้เป็นสิทธิ์ของพระติสสะเถระนั้นเป็นพระหูสูตรรักษาพระศาสนาต่อกันมาอยู่ในชมพูทวีป พระจูลาพยะผู้มีปัญญาแล้วเชี่ยวชาญในพระวินัยพระติสสะเทระผู้มีปัญญาฉลาดในวงพระสัตธรรมพระจูลเทวะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยและพระสิวเทระผู้มีปัญญาฉลาดในพระวินัยทั้งหมดพระเทระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัย ฉลาดในมักได้ประกาศพระวินัยปิดกไว้ในเกาะตามพระปันนิ